นั่งขอให้เห็นโทษของกิเลสภายในตัวอยู่เสมอยืนเดินนัางงาน่งนองขบถันทุกสิ่งทุกอยาก่างให้มีความรู้สึกมีสติในลักษณะข อ, ของผู้เห็นภัยอยู่เสมอนั่นแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้พูดกับท่านหญิงพอ มันเป็นยังไงทำไมสร้างทาไมเป็นแถวแบบนี้วะเจ้าแบบหนึ่งขึ้นมาสร้างันนี้หวานแล้วเป็นถ้วยเป็นวยแล้วสอดกันเป็นแถวมันก็เคย อ, อยู่ตั้งแต่นั้นมาแล้วทําไมมันต้องให้ถึงมันคือความไม่เห็นภัยความติดรถติดชาติความเห็นแกความอรยอรอย่เป็นค่าสิทธิ์กับธรรมทั้งนั้น ในเรื่องทำและเรื่อละเอียดมากสุดเดียวอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมดานะเหมือนการนั่งพังงแนแสดงออกมาเราซึงทดียวยิ่งซึ้งเข้าไปทุกวันผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างช้อนตักในหบาตรมันขวางในจิตเหล็กนะต้องว่าขวางเลจิตนั่นจะมากกว่าจิตเรามันเป็นยังไงจิตท่านเปนจิตไม่มีจิตเหล็กจิ่ง ท, ท, ที่เป็นจิตเหล็ก ริยานเป็นกิเลแสแทรกเข้าไปท่านท่านรู้ทันทมนั่นไม่ใช่ลักษณะของความเห็นภัยขึ้นมามีอะไรเขาฟาดลงไปนั่นนี่มีมากมีน้อยไม่สนใจแบาอาหารดีไม่ดีมีมากมีน้อยมีอะไรแต่ฉันไม่ทำเรื่องพอยังฟีดให้เป็นไปไม่เท่านั้นนั่นจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยนี่ว่านั่นนะคําพูดของพูดไม่มีกิเลสพูด กับความรู้สึกของเราการกระทำของเราที่มีกิเลสมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลามันพากันฟังอย่างถึงใจนะถ้าเราเอาพุทธทางสังนิษฐานเป็นหลักใจสังฆังสันนิษฐานในวงปัจจุบันทานี่ก็มีก็แหมกูอาจารย์ว่าเป็นหลักสังฆังสันนิษฐานอย่างตายใจได้ให้มีสนใจเมื่ออยู่กับท่านแล้วหายสนใจไม่มีอะไรเลยใน ถึน้อมรับถึงร้อเศษเไม่มีตายก็มอบให้ดีปิยาการนัง้งท่าแสดงออกทุกอยากเป็นลักษณะของผู้เห็ัยคือตื่นตัวอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้เห็นภัยการขอบการจันมีอะไรช้างถอยไปตามเรื่องํามราที่เกิดขึ้นความมุ่งมั่นมันอยู่กับธรรมแล้วอะไรก็ไม่กังวลการขอบการจันอะไรได้หมดอาหารประเทศใดไม่ขัดกับหลักธรรมหลักพิมล อย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาลหนวดจะเป็นคนขอทานจากความเป็นกษัตริลงถึงขั้นเป็นคนขอทานธรรมดาตัวทั่วไปเหมือนโลกเขาแต่ก่อนไม่มีศาสนานนท่าทําไมท่านทําได้ที่ดีระยะจะฉันเหมือนกับว่าไส้มันจะฉันรักออกมามันฝืนมีวิบายแกแล้วความฉลาดเลี้ยงของกมมทกานขางที่ในบา้านก็เป็นของปฏิคุณ ก็อยู่ในท้องเราแต่ไม่เห็นว่ามันปฏิคูณมันยิ่งร้ายกว่านั้นเนี่ยทา่านเจษต้าไหมเพราะอาหารของคนขอทานอย่างว่าเขาจะจะได้คองดีคุณดีอะไรามาให้ทานท่านเนื่องจากศาสนาว่าทําบุญในทางนอย่างนันนี่มีูนมากไ ม, ไม่มีนั่งบวชที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างพุทธศาสนา น, นในระยะนั้นก็ยังไม่มีก็เป็นนั่บวชอย่างที่เราเห็นเนี่ยเวลาถีมีครดดูสีดามบ เขาทานจิตธรรมด า, าทรรมดาเาก็ให้แบบเด็กธรรมดาให้เด็กศรัทธาความเชื่อความสงสัยก็ลบนับถืออะไรเหมือนให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่มีเชื่อศาสนาดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วนะครัของเหลือเฟือมาจากไหนแล้วอยากให้ที่เด็กเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เป็นนักแบบที่แบบเป็นนักต้นค้าเป็นนักเหตุผลเป็นผู้ มีความรีบร้อนเร็วต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตนนิบเป็นอันหนักสำคัญผู้คนจับถุกโดยกำลังชังคังสนังกระชานของพวกเราท่านผู้นึงในครังพุทธการพระสงฆ์สาวกที่อมาบวชมาจากสกุลในบ้างเราก็เห็นกันทุกคน ตระกูลกษัตริย์ก็เยอะพระมหากษัตริย์ก็เยอะเชื่อกตัววงกษัตริย์ก็ไม่น้อยเจ็ทีมหาเศ็ดฐีดูทีรองกันลงมาลงกันทัน้งพ่อค้าไประชานคนธรรมดาเอามาบวชแล้วเข็มทิศทางเดินขอนท่านตรงแนวต่อมาผลิการเหมือนกันหมดแล้วเมื่อเข็มทิศทางเดินตรงแนว่วนั้น ความภักเพียรทุกสิ่งทุกอย่างมากับปิยาที่สแสดงออกจะไม่ตรงแน่ได้อย่างไงเพราะอันนั้นเป็นเหมือนแม่เลยแล้วดึงดูดเครื่องสนับสนุสนทีไหนให้ไปเป็นไปตามนั้นทนั้งหลายเครื่องสนับสนุนคือความเพียรความโพอพอใจความอดคมท mm hmm. นเครื่องบุกเบิลก็คือสติกับปัญญาบุกเบิกไปเรื่อยฟาดฟไปเ ล, ปปเลื่อยจนไม่กลายเป็นพระพรสังฆังเสนาการข้ามิโบเรานันหลักขัง้งพฤติการ ท่านเดินท่าเนินอย่างนั้นเราจึงต้องคํานึงเสมออย่าไปดูไอสิ่งไหนที่จอมปลอมมันเป็นเล้วอย่ามาเป็นแบบเป็นฉบับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาจอมปลอมทำไม่ใช่ทำจอมปลอมถ้าสงฆ์ที่เราถือเป็นแสนะไม่ใช่จอมปลอมเป็นหลักใจได้อย่างแม่นยำไม่มีเคลื่อนค้ามมีแรงสงสัยท่านเหล่านี้เป็นท่านผู้ว e ิเศษ โดยตรงตามหลักธรรมชาติด้วยเป็นผู้วิเศษตามคําเล่าลือจากหลักธรรมชาตินั้นด้วยเราจึงยึดท่านเป็นหลักเสมอหลักธรรมหลักพิณายนนั่นแลคือหลักศาสนาหลักของพระสงค์สาวกหรือดวงใจของพระพดวงพระไทยของพอวบดิจ่าและดวงใจของสาวกกระดานทั้งหลายอยู่ที่พระธรรมพิณายให้ยึดนี้เป็นหลักให้ท่า อ่านไปตรงไหนว่าควรหรือไม่ควรให้เหมือนกับพระพุทธเจ้ารงชี้บอกตัวเต่อหน้าต่อตานั้นหรือพระสงฆ์สาวกที่ชี้บอกเยอะอันนี้ไม่ควร น, นั้นไม่ควรอ น, นั้นอยา่าอย่าทำํำเหมือนประธานด้วยพระโอษฐ์อย่างนั้นแม้ว่ามนได้พูดว่าทำไม่ไรมื่อเลยที่เราถากพุบัญญัติไว้จะเป็นจารยดาแทนเร า, เาถากพุเมื่อเวลาเราผ่านไปแล้วโหไม่นมีอะไรที่ เพื่อ่าดแม่นิดหนึ่งซึ่งล้วทำทั้งหมดที่สแสดงไว้ก็ดีเข้าวไิไนก็ดีเหมือนองศาสดาชี้บอกยี่ต่อหน้าต่อตาเหงารักการอำเนินเพื่อความมั่นใจของพวกเรายาวถือใครเป็นจัตตดาเป็นเนตทีแบบจะบัดังที่่านอาามั่นใจไว้ในมุตโตไทยตอนนั้นท่านกัเพืนพ โ, โลกธรรมค่ะ เพาะท่านอาจารยมันเป็นผู้บกเบิกไปที่ไหนก็ที่แรกเขาไม่เคยรู้เคยเห็นก็ต้องคาบต้องค้านต้องอีดต้องวางไม่ว่าที่ไหนไปที่ไหนเป็นแต่ท่านเป็นจอมปท่านหลบท่านหลิดอาจานได้มันให้กระทบกระทืนผู้ใดบางทีจิตใจมันก็มีลักษณะแปลกๆขึ้นมาที่ถือว่าเป็นค่าศึกใจตัวเองท่านตอบแจ้งปุ๊บเนื้ออุบายต่างๆก็แสด ง, ง, งขึ้นภายในจิตท่าน ยาให้เราถือไม่ถือเราสถาพโคตเป็นศาสดาอยาไปถือปากครับศเป็นศาสดาเรื่องของนะนนิทาเป็นเรื่องของโลกธรรมมีมาแต่ตั้งเลยสถาพโคตก็เกิดในขั้มกลางแห่งโลกธรรมำเราโคดไม่ติดโลกธรรทเราเป็นผู้ที่สถาคตก็ต้องมีอย่างนั้นโลกหาประมาณไม่ได้ทำ น, นิัยนั่งแลียคือประมาณ ท camb, ấn, tag, ่านหมะสมอย่างยิ่งเป็นหลักอย่าไปสนใจกับสิ่งุข์กโสมมทั้งหลายเหล่านั้นนะที่เขียนี่เขียนวในมิไทยนี่เดียวท่านพูดไปฟังีเรื่อยเลพราอยูกัท่านมาเป็นเวลาหลายปีทำไมจะไม่ฟ mm. ังสิ่งสาคัญสันทามันส้คัญสำคัญหลักท่านนัยท่านนนเขอให้พระพันยึดหลักให้ดีอย่าไปสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้ให้มาเป็นเครื่องตีดขวางถ่วงทำ ภายในใจให้เดินช้าให้มุ่งต่ออันต่อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วอย่างไรอย่างเดียวนึกเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันนี้เป็นความสุขอยู่คนเดียวเป็นความสุขรื่นเดิมต่างองค์ต่างท่านที่อยู่ด้วยกันมีจํานวนมากน้อยมีความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันมันก็มีความเรื่นเดิมประดับขึ้นกันกายกรรให้สวยงามและเป็นเครื่องท้้งช่ให้มีความอบอุ่นต่อกันจานวนมากถึง น, น, น้อยไม่สนคัญ เปนการที่จิตใจเป็นแบบเป็นธรรมด้แลู้แลธรบ้านทั้งนั้นทั้งคนที่ไหนก็คนเกิดที่ไหนก็คนเกิดในบ้านก็คนเกิดในป่าก็คนเกิดในเมืองก็คนเกิดในกลุมก็คนเกิดประเทศเกศแดนทวีปใดก็คนหลักคําว่าคนนี่คือความสมบูรณ์เต็มที่แห่งมนุษย์ของมนุษย์แล้วถือเราตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าพาดมืนใหม่ไม่ถือท่าชั้นเหมืนนั้ใดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ตถาคตจึงมี ทุกชาติทั้นวรรณะเป็นปรูกสถาพุทธงนั้นผู้ใดมีความเชื่อความมั่นใจปฏิบัติตามพระองค์ท่านแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่เช่นใดชาติทั้นวรร้นนะใดสามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันสถาพุก็ทรงโตกเต็มที่เช่นเดียวกันไม่ทรงแยกเป็นจัดเป็นส่วนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แบบโลกที่ทนุนตัวนและเหยียบคนนั้นยกตัวขึ้นมาแบบของโลกมันเป็นอย่างนั้นคล้ายๆก็อยากจะยิ่งอยากจะดัง มีเกจียศชื่อเสียงมีชาติชั้นวนรณะอันสูงธรรมชาติธรรมชาติทแท้ก็คือคนมีหลักความจริงนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นเครื่องเครื่องเสดสันกัขึ้นมาต่างหากไม่ใช่เป็นเรื่องความจริงความจริงตามสมมุติอันแท้จริงก็คือคนนมันเสมอภาคกันหมดแล้วคำวา่าคนด้วยกันถึงจะเป็นภาษาใดก็ตามใครยู่บ้านในเมืองใดก็มีภาษาของตอนเป็นเครื่องใช้เข้าใจกันแล้วก็ เป็นอันถูกต้องทุกสิ่นทุกอย่างแม้แต่นกสัตว์ต่างๆเขามีภ า, ภาษาของเขาเองเขาบอกสะดวกสบายเข้าใจซึ่งกันและกันไดเห็นได้มนุษย์เรารู้เรื่องของกันกันอยู่แล้วจะไม่เข้าใจกันได้เนี่ยลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนัง้นจะเกิดมาในสถานจากสถานที่ใดๆก็ตามมาเข้าสืหอหลักธรรม่ีมในว่าเน้นเรียนด้วยกันไปหมด ก็ทําทังไงเป็นสิ่งที่กรมเก่าจุดใจให้มีความแนบเนืแนบนนหรือแนบแน่ท่านี้ต่อกันโดยลำการปฏิบัติเคยพูดให้ฟังเสมอนอกจากหลักการแห่งการปฏิบัติทีอท่อธิบายมาแล้วเบื้งองต้นองพระพุทธเจ้าและสงสาวุฒิท่านผ่านดาเนินท่านดำเนอย่างนั้นถือกิจตภาวนาเป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดแต่เราเป็นธรมนนธ ร, รมดามันประสาทเก็ทํารวงทําลังทำนั้นทำนี่ คนไหวคามสภาพของเขามนุษย์เราที่มาบวดเป็นภาคมาจากคนคนมีบ้างมีเรือนภาคมนที่อยู่เพียรใส่มีเครื่องทช้ไม่สอยอาการตัวบุกฟั่งก็จําเป็นจะต้องขวัญไหวเช่นเดียวกันในกิจที่สมควรเกี่ยรสมณะที่จะต้องทําก็ต้องทําแต่มาให้เป็นการพั่มเพื่อเป็นการวุ่นวายจนถึงกับเป็นอารมณ์วุ่นวายกับสิ่งนั้น แล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการเหยียดย่ำทำลายจิดแจขงตัวเองไปด้วยเพราะความกังวลเป็นสําขัญเป็นค่าสุดให้นมัดระวังนี่จึงได้พยายามระวังเสมอแล้วคิดไว้ก่อนแน่ใจว่าไม่ผิดอย่างคิดดูแล้วเคยเคยพูดให้ฟังแล้วพระเจ้าอยู่หาาัวจะถวายเงินทั้งสร้างบททั้งหลังเรายังไม่ารับได้นี่องไหนตรงไหนที่พระเจ้าอยู่หัวถวายเงินสร้างบสทั้งหลงังไม่รับ เิ่นี้หลักธรรมที่เราเล่งอยงู่นั้นที่เราการาบไหว้บูชาเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตยิ่งกวา่าใดที่เราจะเทิดทูนอย่างสุดชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นเราไม่เทิดทูนอย่างนั้นเรื่องการสร้างบุตรทั้งหลายวันนี้ม่มีความจำเป็นอะไรจริงได้ที่จําเป็นแล้วก็ทําิึงนั้นเช่คิดต่อภาวนาเป็นงานจําเป็นอย่างยิ่งนี่ทันตามโมสุดทานกรรมทําที่ไหนก็ได้ตามต้นไม้ใายเขาที่ไห น, นก็ได้ไม่ขัดข้องอะไร ตามหลักข้อใดจริงๆแล้วไม่มีอะไรกับข้องการสร้างหมสถ์สร้างอาหารจึงควรให้เป็นที่เป็นฐานไม่ใช่จะสร้างด่าไปหมดสร้างบนหลังหนึ่งเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มแรกตกลงกันกับช่างเขาที่จะต้องร้างต้องทําแล้วเป็นยังไงทางจะต้องเปิดตั้งแต่นี้จนกรทั่งถึงที่สร้างเบสถ์บุกเบิกไปหมดยิ่งกว่าโรงงานแล้วมีทั้งหญิงทั้งชายที่จะเข้ามากรองนี้ ทั้ง่างทั้งควบคุม ง, งานและไม่ทาบมาจากหผนตําบลใดบางรายก็ไม่เคย เ, เลยว่าศาสนาเป็นไงความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาให้เราให้เป็นความสงบแกเราได้อย่างไงมันก็เหมือนเอาเทวทัศ์มาทําลายวัดนี่แล้วตั้งแต่ขณะที่เปิดโอกาสตกลงกันเรืร่อยแล้วนั้นนะ่ะไม่ว่าคนว่ารถว่ารายมาอยู่ตลอดเวลาประตูปิดไม่ได้เลยนี่เราคิดอย่างนั้นนะทำ เป็นสิ่งสำคัญมากพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีไม่ใช่หน้าทสร้างบูตสร้างมิหารแต่เวลาท่านรู้อ่านรู้ธรรมภายใจิตใจท่านแล้วท่านเป็นยังไงการประกาศธรรมสองโลกยกตัวอย่างในสมัยปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านสร้างอะไรนอกแต่ท่านสร้างจิตสร้างใจท่านเต็มเม็ดเต็มอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยเป็นสติกําลังความสามารถจนเป็นผู้ฉลาดแหลนคมเต็มูมิน่าสั่งสอนโลกเป็นยังไงเราดูเอาคนนับถือท่านอาจารย์มั่นทั่วประเทศไทยเราหลอดทั้งนองนอ ผลของการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์เรื่อดเรื่องธรรมแล้วสั่งสอนโลกเรื่องกว้าขงขวางขนาดไหนนี่นา น, นี่แหละทำภายในใจใจเป็นสิ่งสาคัญมีอานาจมากสามารถไปทําประโยชน์ได้มากมายเมื่อมีคุณสมบัติอยู่ภายในใจแล้วแล้วบทหลังไหนที่มีอานาจวาสนามางไปเทีย่ยวประกาศศาสนาสอนโลกสนสารนั้นเขาเข้าถึงจิตถึงใจทราบซจงเป็นคนดีขึ้นมาได้เราเคยเห็น บ, บทหลังไหนเราไม่ประมาท เรแยกมาเกียบเทียงกันตามหลักเหตุผลอเราไม่ได้ประมาทว่าไม่ให้สร้างบสถสถานที่ควนสร้างเราไม่ว่าแต่สถานที่ไม่ควรจะสร้างก็าไม่ควรที่จะมาทําลาย mm. สถานที่นี้เป็นสถานที่สร้างทางด้านจิตใจให้มีหลักฐานมั่นคงแล้วพระองค์หนึ่ง mm. องค์หนึ่งได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจน่าจะทําประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางมากม า, ายเท่าไหร่เราคิดหมดแล้วเรื่องแบนี้ เพราะฉะนั้นบรรดาท่านทั้ ง, งหลายที่มาสู่สถานที่นี้มาจากภาคาต่างๆกันผมจึงเห็นใจและอุตส่าห์พยายามอบรมสั่งสอนอยู่เส ม, มอไม่ละไม่ปล่อยไม่วางแม้จสอนประชาชนไม่ได้ผมยังพยายามห า, วาเวลาอบรมพระขอเกิดประโยชน์ของพระเองด้วยเวลาพระได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นหลักเป็นเกมพา จ, จิตใจน่าจะประกาศศาสนา ม, มันเป็นไปเอง เมื่อเรามีสมบัตดแล้วก็แจกจ่ายได้แต่แบบขายก่อนซื้อนั้นจเท่านั้นแหละทังไม่รู้เรื่องอะไรสอนเติมอะไรไม่ได้เรื่ประกาศสอนประชาชนพลเมืองไปเลยกลายเป็นโลกหลือกล้วไปร้ายยิ่งกว่าโลกไปอีกย่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของสาวโลกท่านที่พ่าดําเนินมาท่านรู้จะก่อนองค์ไหนๆก็เหมือนกันก่อนที่จะทําทําแบบสอนโลกรู้เห็นจะ ก, ก่อนไม่งั้นเอาเราจะสอนเขาเอาตั้งแต่คําพูดไปเขเียนไปสอนเขามีหลักมีเกณฑ์อะไรมันก็ไม่มีที่ซึ่งทราบมันอยู่ที่ยึดที่เหนียว นันเป็นเครื่อ ง, งดูดจิตใจเหมือนเรามีคุณธรรมเป็นหัวใจเราแล้วได้สอนคนนั่งเฉยเฉยก็มันก็มีเป็นคุณสมบัติของท่านอย่างนั้นเลยผู้ที่มีธรรมภายในใจอยู่ไหนมันก็มีอยู่นะั้นอยู่ว่างเรื่องการอบรมจิตใจมีคุณค่าอย่างนี้เพราะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอจาไปข้าไปหมายใดในวงการกับจิตนี้อยู่ตรงนี้ในวงขันห้าเอาให้ดีอันใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับ จิตใจก็พิจารณาไปดังที่ว่ารู้เสียงกู้รสรูสัมผัเพราะความผัวพันความติดทั้งรักทั้งชังมัติดท่านั้นแหลจิตใจมันติดทั้งรักติดทั้งชังติดทั้งโกรธทั้งเกลียดติดไปหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกแยกที่คลายออกให้รู้เรื่องหุ่นละว่านัดจิต้าตังนะ้งสัยแล้วถอนตัวเข้ามาเรียกว่าปล่อยวางเพราะคาเข้าใจแล้วด้วยการพิจารณาอคนดูท่านก็ไม่ไปที่ไหนนั่นก็รวมมาที่ใจเมื่อใจไนมะ่กังวลวุ่นวายเพราะปัญญาหวาน ล้มให้ทราบเรื่องราวหมดแล้วใจก็ไม่ไปกังวลมีจะทำสมาธิภาวนาก็สงบสะดวกสบายจิตใจมีความสงบร่มเย็นเอาขี้อิจาทางนาั่นปัญญาอย่าอยู่เฉยๆถึงกาลเวลาที่ควรพิจารณาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญหนุ่มากสติเป็นภ้า พ, พื้นเป็นเครื่องควบคุมงานให้เป็นไปด้วยความเจาะจงเป็นไปด้ความรู้สึกตัวเป็นไปด้วยพิจาราปัญญาก็ทําหน้าที่จนไม่เกินหน่วยเมื่อเห็นผลแห่งการพิจารณาได้มากหรือน้อยแล้วปัญญาก็ขยึก ก็ความมีเกียรตใจเหมือนเวลาค้าอะไรที่มีกำไรขึ้นมาจะนักการค้านั่นก่อนมีความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าค้าอะไรก็ซื้อสิบขายห้าซื้อสิบขายห้านัขาดทุนกาดทุนน้องขี้เหร่ของเรามาซื้อห้าขายสิบซื้อห้าขายสิบไม่กาไรทับทุกเอันนี้กับมันกันจิตใจจะพยายามภาวนาด้วยความตั้งตั้งใจแล้วจะต้องเป็นซื้อห้าขายสิบไม่สงสัย แต่เป็นนั่งอยู่เฉยเหมือนหัวต่อไม่อยู่ความรู้สึกอะไรกับอัดกับทําแต่ไปวุ่นวายอยู่กับโลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของเกลื่อนปัญหาล้นวนแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะมาทาบถมจิตใจให้มีความอับเ้ายิ่งขึ้นไปเมามัวรือจะวมัวคิดมัวอ่ัดไม่รู้อัดรู้ทำเป็งไงเดินจกกงกรมก็เลยมีแต่การก้าวขาไปนั่งสมาธิก่อนสับแต่ว่ากิริยาเลยมีแต่กิริยาความทําจริงๆคือจิต มันเป็นไปตามโลกตามภาษาดูเสียงเครื่องเครื่องแบบอดีตอนาคตวุ่นไปหมดภายใ น, นใจจะเอาอะไรมาเป็นกําไรมันก็มีงแต่หาทุนผลปีลที่นี้เจ้าของขี้เกียจที่นี่นะจะว่าเพราะเจ้าของทำทางขี้เกียจเจ้ของเองเจ้าของก็เดินเองผล ข, ของความขี้เกียคจคือกองทุกข์ผมหัวใจทุกภพทุกชาตเป็นไปเพราะความขี้เกียจเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นจึงเห็นความขี้เกียจเป็นโทษเห็นแพงความขี้เกียจก็พยายามพิ แปงเลี่ยแปลงสติปัญญาเพื่อลบ ล, ล้างความดีเกลียดเพื่ออวยต่างๆอยู่สมอ น, นั่นแหละคือคือผู้ฉลาดสร้างตัวของเราเสําคัญมากกว่าสร้างหองื่นใดจะหนักจะเบาก็สั้งเถอะมันเท่าตัวของเราเนี่ยมันไม่สุญสิ้นไปของเรานะของเราของกําลังของเราไปได้พนะระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้พอเหมาะผสมกับเราอยู่แล้วเช่นปริมาณอย่างธรรม ที่พอประมาณก็แปดหมื่นสี่พันมาธรอราถรรพ์น่ยแล้วสรุปลงแล้วก็คือสีจะมาที่ปัญญาหรือโพติวกียะทำสามที่เกิประการนี่สรุปลงแล้วก็ไม่เห็นมากมายก็อยู่ในวงการกระปิตของเรานี่ทั้งนั้นทําไมเราจะทำไม่ได้เดิน <c oughs> จงกรมมันสืบเนื่องไปโดยลำดับพื่อสตินั่งสมาธิไปมันสืบเนื่องไปโดยลำดับการบังคับบัญชาตนอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้มีความเพียรเราจะเห็นว่าการบังคับบัญชานั้นเป็นเสีน้นเป็นหนามแต่การต่อย ตามอำเภอใจนั่นมันเป็นกุญญกุลมดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันกับพิภสามันแทรกเข้าภายในจิตใจจนลืมเนือ้อลืมตัวไปแล้วเห็นาเพีย น, น, น, นั้นเป็นค่าศึกตัวนี้กิเลสมันเป็นมิเป็นปัญหานั่นแหละมันตายไม่มีดุจมียางเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนั่นจะเอาให้จริงจังที่อยู่ก็รู้สึกว่าเหมาะสมสถานที่นี่ถึงจะไม่เป็นมหาเวลายอย่างขั้งพุทธกรรมอยู่ตามป่าตามเขา ตาแต่ก็เป็นต่างในทีม่มันสมเราพยายามช่วยเหลือทุกด้านทุกทางเพราะเห็นใจหมู่เพื่อนเราพูดได้ใครจะมาเกี่ยวข้องที่สุดไม่ว่าจะาติท่านมาหน้าดเข้ามาเกี่ยวข้องเราพูดได้ทั้งนั้นเหตุผลมีแล้วเราพูดได้เราไม่เป็นผู้ใดในโลกอันนี้เราเกง่งเพียงแต่ทำเคารพทำมากดีกว่าเคารพผู้อื่นใดสินใดในโลกนี้มาถึงการที่จะพูดโดยอาจโดยทำแล้วเราพูดได้ ไม่ให้เขาไปรบกวนเวลานี้ท่านทภาวนานละ้วอย่าไปกวนท่านนะเนี่ยเาบอกแล้วท่านทํางานของท่านนะเวลาไปจะโลภไปท่านยินเสียนกล้วก็หลบหลีกหนีเสียนน่งภาวนาไปอีกไปเสียเ ด, ยนนดยนินกําลังเดินนโยมอยู่ก็หลีกไปเสียทําให้เสียการเสียงของท่านไม่ควรไปรบกวนในเวลาเช่นนี้เวลาไหนที่เหมาะสมแล้วก็บอกบอกไปเหตุไปผลให้เป็นที่เข้าใจเ้าจะโกรธจะเกลียดแล้วไม่สนใจกับเรื่องนั้มน เพราะเราถือว่าการพูดลงไปเพื่อเหตุผลนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราไม่มีอะไรเป็นความเสียหายหากจะเกิดขึ้นเป็นความเสียหายก็เพราะเหตุของเขาคิดขึ้นในทางไม่ดีต่างหากทีอยู่ก็เป็นที่จำเพาะจำเพาะท่านนั่งรู้สึกมันร่างกายมันหนักให้เดินมากๆไม่ได้ทํางานก็ให้เดินมากเป็นการทํางานตั้งสติให้ดีความเพียรอยู่กับสติเป็นสำคัญ พิจารณากอ่อนเอาร่างกายของเราเนี่ยหรือร่างกายของผู้ชาหญิงชายอะไรก็ต่างเวลาพิจารณามันเห็นตามความจริงของสิ่ง น, นั้นๆมีชื่อว่าสติปัญญามากมีได้ทั้งภายนอกภายในเพราะสมุทัยคือตัวพิเรศมันมีได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเติดรูปติดเสียงกลิล่ิงรถอยนี้มันก็เป็นสมุทยยัยแล้วรูปเสียงกินรสทั้ง้ําอยู่ข้างนอกไปติดอันนั้นไปติดอย่งนี้ไปติดคนนั้นคนนี้นันเป็นสมุทยยัยแล้วแก้เหตุ ติดข้องนั้นด้วยปัญญาเขาแล้วมันให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็เป็นมาเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะพิจารณารูปใดหญิงใดชายไหนได้เท่านั้นพิจารณาให้เป็นธรรมเป็นพิจารณาให้เป็น อ, อโโโรุปรูปทางปฏิปูลโสโครป่าชา้าผีดิบหรือพิจารณาเป็นอันจังทุกขงตานซึ่งเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นมันได้ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ไ ด, ด้ต้องขับต้องคืนกัน ฟาดเทียมกันเต็มที่ระหว่างพิเลกกับธรรมเป็นค่าศึกกันมาแต่การไหนอยู่ในดวงใจอันเดียวกันมันเป็นค่าศึกต่อกันอยีกอย่างนั้นส่วนมากมีแต่พิเลกเป็นไปได้เปรียบอยู่เสมอเราไม่รู้สึกตัวถ้ า, าว่าเราเรารู้สึกตัวบางวันนี้เราแพ้กิเรกประเภทนั้นนั้นประเภทนั้ น, ร เ, น, นเราก็จะมีอุบายวิธีหรือมีแก่ใจที่จะเฟ้นสติปัญญาสัทตาความเปลียนเพื่กล้าแข็งแล้วต่อสู้ันีกจนไม่ชัยชนะทั้งนั้นที่ชื่เรียกว่านักลงนะขึ้นเวทีไม่รู้แพ้รู้ชนะ มิแต่ถูกนอกลงไปยนอกระบายจะสลาดลงไปลลงไปมร่รู้เนื้อรู้ตัวมันได้หรืออย่างนั้นือ ม, <c oughs> มันเห็นความแพ้ความชนะบ้างพี่ชื่อว่าผู้มีสติปัญญาทดสอบ ต, ตัวเองวันไหนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นเท่านั้นเห็นได้เรื่องอะไรเป็นเครื่องสะดุดใ จ, จความสงบก็ไม่ปรากฏให้เป็นเครื่องสะดุดใ จ, จอุวาสติปัญญาที่คิดขึ้นมาก็ไม่พอเป็นผลให้เป็นเครื่องสะดุดใ จ, จและมีแก่ใจที่ต้องพิจารณาต่อไปเพราะได้ผลเป็นประจักษ์เป็นเหตุอย เพิ่มการเพิ่มความเปลี่ยนขึ้นแล้วอนี้มันก็ไม่ได้ผลของเร่งดัดแบบทีควรเวลาควรจะเด็ดก็ต้องเด็ดเวลาธรรมนาก็ธรรมราเพราะที่เด็ดมันผ ล, ลออกมามแล้วก็ผลใส่กันรับกันอา้าวจะตายก็ตายนี่เคยเป็นแล้วนี่ไม่ได้พูดเฉยๆนะถึงเวลาัควรจะเอากันอย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงเลยนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันแน่ใจเลยแ ล, แล้วพูดได้อย่างเต็มปากว่าได้ผลชนะมันตัว น, นั้นกิเลสตัว น, นั้นอืแยกแยะไปพิจารณาเองแต่มาคู่ปฏิบัติจะดีนสัยไม่เหมือนกันแต่เพึงทราบว่ากิเลสมันชอบความอ่อนแอเสมอนะธรรมะชอบความเข้มแข็งความเข้มแข็งเป็นชนะเป็นการชนะความความฉนาดเป็นเครื่องชนะความงุ่ม วิเลศาคนให้โง่พาจิตใจให้งงตัววิเลศนั้นม่ไดโง่ปัญติปัญญาจึงต้องไปช้าเพื่อปราบปรามความโง่อันเป็นตัววิเลศตั้งใจนั้น ห, หมดไปหมดไปความสง่าง า, ามของใจไม่ต้องบอกแล้วแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยธรรมะสมบัติเป็นสิ่งสาคัญมากโลกขาดธรรมะสมบัตินี่แหละโลกถึงได้ร้อนสมบัติภายนอกไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราที่จะให้โลกได้รับความร่มเย็นถ้ามันมีสมบัติธรรมะสมบัติอยู่ภายในใจลแล้ว รักษาตัวรักษาโลกให้มีความสงบรุ่งเยือไปมาหน้านรูปยาวด้วยเหตุนี้าศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งอย่างที่พวกเทวทัศน์เขาโจมตีนังร้ า, ายเขาแก้เขาไม่ได้อืศาสน า, าเป็นยาเสพติดเหมือนกับศาสนาเป็นมีความบทพรอ่องคนไม่เคยอ่านไม่เคยปฏิบัติาศาสนาไม่เคยรู้าศาสนาเขาหาทางแก้เขาไม่ได้ ว่ากินแรงงานส่วนเกินของคนหน่ง น, นมีค่าอยู่ฉเฉยเฉยลยมหม้อกแกงไปไถนายคนเหนือเวลาได้เท่าได้น้ํามามันก็มาหุงต้มที่แกงมันงานคนละน้าทีนาทีอเช่นไส ฟ, ฟ้าชาร์จแบตเตอรี่มันเปทํารรมะแนไข่ตัวชาร์จแบตเตอรี่ได้มีกําลังว่าจะออกจากโรงนี้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 ยาเสพติดอเกี่ยวข้องกับหมอเป็นยาเสพติดคนไข้คนนั้นมันก็ตายนะแล้วผู้มีกิเลสก็เป็นคนไข้แต่และประเภทมีความผิดเต็มตัวไม่มีน้ําสะอาดเป็นเครื่องชาร้างคือศาสนาแล้วมันจะหาความดีมาจากไหนคนความโลภมันก็รุมแรงความโกรธก็รุมแรงความหลง ก, ก็รุมแรงผู้ที่ศาสนาหรือนาาําศาสนาเข้ามาแก้ไขดัดแปลงหรือชาล้างผิวนี้ให้มันมาวางลงมันเป็นความเจ็บ า, าที่ตรงไหนนะ คนดีขึ้นทุกวันอาการทุกสิ่ทุกอย่างดีขึ้นโลกได้รับความร่มเย็นศาสนาเป็นญาเสพติดที่ตรงไหนนะเหมือนอย่างคนไข้หายด้วยด้วยยาหายด้วยหมอเป็นญาเสพติดที่ตรงไหนหายสมดุลกันที่ตรงไหนยาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้คนเสียทังหาอันนี้ไม่เป็นคนเสียผู้มีอะไรติดไม่เลยมีอะไรเลยนั่นแหละคือคนตายอืมไม่ติดอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอะไรคือคนตายคนตายไม่สนใจ อ, อะไรเลย นี่เราก็มีความจําเป็นอย่างนั้นจาเป็นกับธรรมโอสถเป็นอย่างยิ่งทีเดีย ว, วเหมือนการเดินทางเมื่อยังไม่ถึงจิตหมายปลายทางเมื่อไรแล้วทางมีความจําเป็นตลอดไปเช่นเดียวคนไข้เมื่ยังไม่หาจากโรคแล้วยากับหมอมีความจําเป็นตลอดไปที่คนไข้จะต้องเกี่ยวข้องมีเสมอแต่ว่าติดหรือไม่ติดก็าตามอั น, นั้นมันเป็นเรื่องโศกโปลอกปากโศกปลอกมันพูดไม่มีเหตุผลเหตุผลแล้วต้องเป็นอย่างนั้น เมื่อค่ายังมีอยู่จากใดแล้วยากับหมอต้องมีความจําเป็นอยู่จาบนั้นต้องเกี่ยวข้องกันเพื่อค่ายจะได้หายนี่อันนี้จิตของเราเมื่อมีกิเลสปัญหาอาส ะ, ะกำลังดำเนินมันยังไม่ถึงจุดหมายปาทางจาบใดเรื่องธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นเครื่องขี้บอกแนวทางเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยไปจนกระทั่งถึ ง, ถ, งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วปุญญาปา่ปาปา่าหน้าบุคคลนั่งต่อเอง ผูมีบุญรบาปบรลักษ์เสียแล้วเหมือนเราเดินขึ้นมาบนสะลานเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาไปใครใไปกอดบันไดกาหมีไม่ไดมีศาสนาก็ไม่ได้สอนให้คนกอดแบบนั้นนะ ค, คนที่หายโรคแล้วก็ไมจะจะมากอดยาไว้กอดหมอไว้ฮหายโรคแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกับยากับหมออืคนที่ถึงจิตถึงใจก็ศาสานาอย่างเต็มที่แล้ว มันก็เหมือนกับคนไายกับหมอนั่นเองปล่อยวางกันเองนี่ติดที่ตรงไหนปล่อยวางกันนี้ได้อย Arri ่างนั้นเวลานี้เอาให้เต็มที่ให้ติดพันอยู่นีนะครับจิดสติปัญญาอาให้ติดพันกับกิเลสกิเลสปัญญาเจ็บติดไม่พูดกันอธรรมะมาแก้กิเลสปัญญาเจ็บติดที่ตรงไหนดูว่ากิเลสตัวยาเจ็บติดมันติดมาตั้งกับตั้งกัน แล้วจนนับพบนับชายไม่ได้หรือพูดนมันเกี่กับกิจการแตเรื่องเกิดเั้งตายมันติดหรือไม่ติดยาเจ็ติดหรือไม่ติดท้าเป็นคนปล่อยกิเลสได้สักคนเบื่อไห น, น่ายนักกิเลสไม่เห็นมีไขวะมันติดอยู่ในหัวใจมจนมองดูใจไม่เห็นเลยทำไมไม่พูดตรงนี้ฮนะเป็นนักกีฬาต้องคู่ต้องยอมรับมันด้วยใั้คของคิดให้ดีสติเป็นของสำคัญพูดเสมอแล้วสติปล่อยไม่ได้ เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งกับตัวของเรามีสติประจําตั้งให้ดีอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงของการพรางของเานั้นมันแรกแต่จะปลุกใจตนเองหาอุบายวิธีที่จิตจะมีความเสนใจจดจ่อแล้วสติจะตืน่นเนื่องกันเราพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าแต่คําบริกรรมจะเป็นคําเดียวพลิกหาอุบายต่างๆน า, ามันแรกแต่อุบายนี้อีกประเด็นนี่เคยทํามาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยทําเอาให้เข้าใจ ทีนีพูดถึงเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่อภายนอกภายในสติวัฏฐานสีกายเยานุสีฮาติอัตตาวะกายเยกายนุสีฮาติบัญญัวากายเยกานุสีฮาติอัตตามัิญัตทวะกายเยกานุสีฮาติพิจารณาทั้งกายนอกกายในพิจารณากายนอกบ้างบ้างกายในบ้างพิจารณาทั้งกายนอกกายในอคือมันเป็นมักทั้งนั้นปุ่นยังอ่ะเราสรุปองคความนี้มันถูกต้องขนาดไหน เวทนาเหมือนการเวทนานอกเวทนาในเวทนานอกอย่างอเข็มเป็นนั่นถ้าเขาไม่แสดงอาการออกมาเราก็ไม่รู้แต่สำหรับการปฏิบัติแล้วถือว่ากายเวทนาคือเวทนานอกจิตตเวทนาคือเวทนานในสำหรับการปฏิบัติเรามีความรู้สึกแน่นตรงนี้แล้วก็มันพิเสษเรื่องเวทนานอกเ่งเขาร้องห่มร้องไห้แสดงทุกเวทนาขึ้นมาแต่มันนั้นมันห่างไกลมากต่อสัตย์ต่อเศรษฐกิจพัฒนาสิ่มีอยู่กับตัวของเราอย่างสมบูรณ์เลย ถ้างเวทนาในเวทนานอกไม่มีในการจิต น, นี้จะมีอยู่ที่ไหนอสถติประฐานสี่ก็ไม่สมบูรลณล์ที่เรานี่สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แต่ละคนละคนนอกจากไม่ฟื้นขึ้นมาในส่วนที่ดีให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาขึ้นเท่านั้นเองเห็นทุกสมมติไทยนิโรธมากแน่ก็มีอยู่ในการจิตอันเดียวกันนี้สมบูรณ์อยู่แล้วสติปัฏฐานสี่ก็มีในการจิตสมบูรณ์อยู่แล้ ว, ว, 4, นนลลวถ้าเราเป็นที่แน่ใจว่าสมบูรณ์อยู่แล้วนี้แม้เราจะพิจารณาแล้วนอกนอ ก, ก็มาประกอบกันบางที่เคยดิบายไปแล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องแต่ให้เห็นอย่างนั้น แต่ไปเห็นขัดแย้ง ต, ต่อทรรมอาจะพิจารณาปัหาได้ทางนี mm ้ขึ้นเรื่อความฉลาดวิทยาไม่สอนคนให้โง่เอาให้จริงให้จริงเลยไอเห็นกิเลสหลุดลอยไปด้วยสติปัญญาของเราจริงๆเป็นไปได้จริงๆเจ็ดพิจารณาสุภาพมันเอาไดจริงจิงจนกระทั่งมันกดความสดใสเหงื่อน้าตาล้วงเออเป็นอย่างนี้หรือสุภาพเป็นอย่างนี้หรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรือมันออกอุทานทางใจมันเป็นจริงๆแล้วจะหลดสังเวดขึ้นมาด่แลมันกั เปื่อยพังทลายลงไปลงไปดูสติปัญญาเจาะฉันนเจาะลงไปไหนเหมือนเงินกับเอาไฟผเผาเหมืพ่อม่อพ่อม่่เหมืพังลงไปเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปกระจายลงไปเปื่อยลงไปเห็นนั่นชัดเจนไหมมีตังแต่ภาพอนนั้นกับจิดอันนั้นจับและคิดค่าที่ไม้ก็สิ้นไปด้เลยจนกรทังมันลงถึงที่สุดของมันแล้วจิตก็เข้าใจาเลยหลังชัดเจนก็ถอนตัวปุ๊บเลยจากนั้นเอมีแต่ดินของพจน์ก็เป็นอย่างหนึ่งอยู่แล้ว เราออกนั่งก็ไปดินเป็นท่านกินน้ำลงไปอย่นี้เนี่ยมันหลงอะไ ร, ประเป็นอย่างนี่มันเสืศสันต์ตั้นเดียลยหมลบน้าทำหน้าเวทีเจ้าวิเศษเมื่อไหมันเนื้อมากมากแล้มผมมากคืออย่างนี้เขาไม่สวยง า, ามมันก็เสศสันต์ไม่สวยรม่งามก็เชื่อ ม, านามันเนี่ยของเป็นอนิจจังเปของไม่เที่ยงแปรสภาพอุตสาหน า, ามันก็เป็นของจี ร, รังถาวารเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาก็ได้ ทุกขงังตาพี่ย่าสอนั้นที่เหลี่ยมเป็นลบล้างเหมือนก็เหมือนอย่างพวกเทวทัพที่ลบล้างศาสนาทุกวันมันลบล้างอย่างนั้นเนีลยเป็นศาสนาเป็นยาเสพติดอย่างนี้่แหละมันลบล้างแบบที่เหลี่ยมลบล้างธรรมนี่เองนี่ er จังทุกขังหน้าตาจิตไม่ไปตามให้จังทุกขังตาเสียมันไปแบบที่เหลียมทั้งนั้นแล้วลบล้างตัวเองมัน ล, ล้างทําของตัวเองเสียดูผ้าุูผ้าก็เห็นอย่างชาัดชัดนี่ มันก็ไม่เห็นว่าเป็นอสุภะุตังมันเห็นเป็นของสวยงามละเอียดมันเป็นเรื่องของกิเลสเท่า น, นั้นรบล้างทังถ้าเราได้รู้ตามเรื่องของธรรมทีมม่ท่านสอนไว้ใครจะมาฝืนแบบหามยุทธโดยประธานเต็มหัวใจให้มันกดท่วงทับ จ, จิตใจร้อนทั้งวันทั้งคืนแค่เพิ่มแตายล่ละมันก็ต้องสลัดปัดทิ้งโดยการเทนั้ น, นคนเราถ้าเห็นโทษเห็นภัยโดยการพิจารณาจินตามหลักธรรมรู้เจ้าไม่มีความรู้ใดขัดแย้งกับหลักธรรมรูเจ้าจริงจริงแล้วจะเห็นความจริงโดยลําดับ จิตใจจะปล่อยวางว่างปล่าไปเรื่อยๆ <c oughs> ความสบายหิวหิวหิ่ๆๆเลยแล้วก็พุ่งหรือยังอ้าวคุณไหนมันคล้องที่ตรงไหนขาดที่ตรงไหนตามแก้ตามปลดมันเป็นได้ออืรูป <ๆ S 2> นะทั้งกายกายทั้งกายนี่ก็คือกองรูปอยู่แล้วแยกแยกดูทั้งเรื่องอาอุภาพอาุพังความชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันต่อกันเห็นร่างกายมันก็เห็นทุกชิ้นทุกอันมันมาติดมาต่ออาศัยเป็นอนุรักดึงเอาไว้ แล้วหนังหุ่มแบบนั้นนะฮะมันก็เหมือนหนังมันก็เหมือนน้อาผ้าคุมศพนั่นแหละมันจะติดายผ้าคุมสพไว้มันเป็นอะไรผ้าคุมศพนันมันเป็นของดีของดีอะไรซอสอันนี้กับ like ห น, นังหุ่มกระโดกเนี้อหุ่มเนื้อหุ่มปังประกอบโสโครนี้มันก็เหมือนกันครับผ้าคุมศพอศแล้วนั้นพี้ยนที่นั้นยังไม่เห็นความจริงที่อุปทานมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันก็เหมือนกับความมืดนี่แหละ มันจะมืดขนาดไหนมืดมากกี่กับกี่กันพอเปิดปฟจ้าเห็นั้นความมืดแตกกระจายหมนี่ปัญญาได้จ้าเราไปตรงไหนแล้วมันแตกกระจายนัตถ่ปัญญาสมาอาภาทั้งสว่างสมอเรื่อยปัญญานี้ไม่มีในโลกไม่มีอะไรสว่างเสมอเรื่อยปัญญาพระที่สอนมาแต่ขี่แจ้งนั้นลงไปที่มืดพระที่ไม่ตามสอนเลยปัญญาได้สอนได้หมดถะลปลุกปลงไปหมดถึงเดี๋ยวโลกระบิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งสามเราชันใดสิ่งนั้นทั้งนั้นฉันนั้นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันไม่หม แทงทะรุไปหมดด้วยปัญญาที่ซึ้งภายในใจกาเรื่องการพิจารณากายพิจาราจิตวิวัฒน์เาที่เราถนัดทางไหนถนัดอรูปภาพก็ฟาดลงไปมันเห็นเป็นกองสุภาพอรปูปทางปฏิคูณโฉขโคกเป็นเนื้อเต็มตัวมีแต่กองอรูอรูปภาทั้งนั้นถ้าเราไม่นอนใจให้กิเลสต่ำรับอีกต่เวลาเท่านั้นมันต้องหลูเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันก็ปล่อย ไม่ถือไม่ได้ที่มันถื อ, อ, อก็เพราะไม่รู้เพราะความสําคัญมันมัดแน่นสำคัญว่าเป็นจัดเป็นคนเป็นเราเป็นของเราทุกจิ้นทุกอันอะไรก่อเป็นเราเป็นของเราไปทางเขาไปแทรกไปถึงมุดทุกสารพัดทางร่างกายทำเนื้หาที่แสรไม่ได้เมื่อปัญญาสอดแทรกเไปตามทีนต่อนมแล้วมันก็กระจายไปกระจายไปกระจไปสุดท้ายเข้าใจได้อย่างเป็มเต็มหน่อยยุ่อ ร, รอบสอบคิดสละคืน แต่จุ น, น้สกูอัลระคือตามของเดิมเขาเสีย อ, อันนาโยหมดความห่วงใยอะไรเสได้่ีกเื่องขั้นนี้ขั้นก็เป็นความสุขมากแล้วเบาแล้วเบาแสนเบาจากำจากำไถ้าพูดถึงว่าค้าขายมีกำไรมากมตั้งตนเป็นเศรษฐีได้แล้วในขัานนี้เลยเอาฟาดลงไปความสุขความทุก มีในขันนั่นก็สัทตเวชนะฟังที่ท่นพูดในตนาคือความสวยมันแสดงขึ้นมาให้เราได้สวยปรากฏขึ้นมาสุกเกิดขึ้นมันก็ดับเพี้ยนะเอาสัมพันธ์สาระสัมพันธ์อะไรกับมันทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปเเกรดขาเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งทางกายและจิตใจเอาเป็นจัตว์เป็นคนเอาเป็น เ, าเราเป็นของเราที่ไหนได้ หลักอย่างด้วยอพันดาแล้วมันก็เห็นเป็นความจริงแต่ละอย่างอทั้งนั้นเองว่าทันดาทันดานี่ยสิ่งของละเอียดมากนะในวงการข้าวเนี่ยรูสึกทันดาละเอียดมากมันมันเดี๋ยมันค่อยซึมข้าวไปวาดท่าบอกเจ้าของได้อย่างละเอียดแล้วออกมาทั้งขานมันยังมีกระเพื่องขณะที่มันจะปรุงนี่มันรู้สึกมันจะมีอะไรอะไรภายในจิตแล้วกระเพื่อมตัวออกมาเป็นความปรุง สัญญาณนี้ไม่กระเพื่อมเลยกำลํำหนดลงไปนี่มันจะปรากฏเป็นภาพหลอกเจ้าของอยู่แล้วจิตใจมันก็อยู่กับการห้านี่แหละเอาการห้านี่เป็นเครื่องหลอกตัวเองหลอกเครื่องนั้นหลอกเรื่อง น, น, อองนี้หลอกเรื่องจัดเรื่องผลเรื่องอะไรแต่อะไรสัญญาณมันมหมายว่าภาพอนี้สังขารคิดไปพรุงไปตามมันเลยนอนเวลาถึงขั้นถึงควรรู้มันมันรู้เองที่ว่าเลยเพราะอำนาจของปัญญาเหมือนกัน ว่าภาพอะไรเม่ากําหนดลงไปแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเข้ามาอยู่ที่จิตมันเสียภาพก็หายเคียบภาพอะไรขึ้นมาปรากฏนี้กําหนดเข้าจริงจริงภาพเหล่า น, นั้นก็ย่นเข้ามาเย่นเข้ามาก็เข้ามาสู่จิตก็แสดงว่าภาพนี้ออกไปจากจิตเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะว่าภาพปรากฏภาพอะไรแล้วก็ตามมันออกมาจากใจใจมันผู้เบียดเบียนหลอกไปต่างหากภาพมันแท้จริงนั้นไม่มีมันมีอยู่ตามโน้นต่างหากแต่ที่ภาพที่เราวาดเห็นมันเป็นขึ้จากใจมันหลงหลงกันภา อาการของขันที่แสดงอยู่นี้่มาเป็นเครื่องเกิดเอนดุ่มหลงเท่าโศกเสียใจเป็นอยู่นี้ตลอดกลับตลอดกันเห็นยากจะยับยับยกระทบอะไรก็พอลู้แล้วสิ่งนั้นดับไปอันนี้กระดับไปท่ามท่าแบบเป็นสระหนึ่งก็เหมือนแสงห้อยหรือข้าแม่คิดไปพิจารณาไปทวนไปทวนมาทวนกระแสเพราะสติเพราะปัญญาไม่ไว้ใจในสิ่งเหล่างนี้เพื่อจะทราบ ความจริงของจริงอย่างนี้เพื่อความสนใจมันก็รู้จนได้หน้ามันมีเท่านั้นเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นหน้ามันอย่างนั้นแหละเราไม่รู้มันก็เป็นมันอยู่นั้นแต่มันเป็นเรื่องของสมุทัยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจหนู่นมันออกมาจากใจสมุทัยสมุทัยจะแท้จริงหรือแท้หยุดพิจารณาเข้าไปเพียงมัวกดขันเข้าไปโดยบลำดับจนเข้าใจ เป็นระยะระยะเป็นรักเป็นต่อเข้าไปแล้วมันก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปสุดท้ายก็ไปกองอยู่ในหัวใจดวงเดียวแยกออกมากรรูปอะเมื่อเรากใจไม่เสียอมันจะตามออกไปทางด้านสัญญามันก็ไปไม่ได้ออกไปทางด้านสังขารมันก็เป็นเรื่องเป็นราวมก็ไปไม่ได้เพราะสติปัญญาทันมันอยู่ทุกระยะอพอปูนแยกมาเหมือนสายห้อนพับมันก็ดับไปพร้อมเมื่อสติทันแล้วมัน มันไม่มันไม่ตอบมันเรื่องราวมันไม่ต่อกันไปโดูลำดับไม่ยืดยาวถ้ราะถ้าติรู้ทันมันก็ดับมันดับมันรู้ทันหรรู้เท่าพร้อมมดอวยมันก็คือปัญดาก็ปาดปันหันแหลมลงไปตรงนั้นมันเหนือตั้งแต่อวิชาก็กจิตเป็นอันเดียวกันนะมันก็คืนแต่สมวนจิตกับสมวนอวิชชาที่เดียวกันเดียวกันนั่นแหละรักจิตสงวนจิตก็รักอวิชชาสมุนอวิชชาติดจิตก็ติดอวิชชา หลงจิตก็หลงอมิจฉานะมันอยู่ด้วยกันตรีปัญญาจึต้องถึงขั้นนี้แล้วตรีปัญญาทํางานไม่ต้องบอกแล้วนี่เราไปท่านเดียวมิจะเอาให้ทลุท่านเดียวหรอกมิจะถอยไปย้อนไปทางหลังไม่มีทางอเป็นอคุปะอคุปปะมาโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวแล้วก็นิวเคลียหรือปรมาณูปัญญาขั้นนวเคลียขั้นปรมาณูโตขึ้นไปดังนั้นมันก็แหลกแตกกระจายไปหมด อือนี้หมดแล้วที่เชื้อที่เคยเกิดเคยตายมาอยู่พบกี่ชาติกีกับกี่กันมันก็เห็นได้อย่างกระจัดว่าบัตรนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องความเกิดความตายต่อไปเพราะเชื้อที่พาให้เกิดให้ตายเกี่วิชานี้ได้ถูกทําลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นที่ทำว่าวิญญาณปราโมทยาหรือมุตตะนีมุตตะมีจีญานังโหัติด เมื่อจิดุพลแล้วยางความมแงจิตุจพลแล้วย่อมปรากฏขึ้นทันทีทันใดในขณะนั้นงานของพระเราไม่ขึ้นสุดตรงนี้ไม่ขึ้นสุดที่ตรงไหนขึ้นสุดตรงนี้นายอาจาแต่อาจารย์แต่ละประโยะาางานนั้นภาพศึกที่ลกกันมหมดสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกียวมันก็หมดพาระตะเอง หมดปัญหาไปเองอย่างนี้ก็ไม่ได้ค้ากิเลสตัวใดอีกแล้วสิกิเลสตัวไหนจะมาค้าอีกทิพย์หายหมดแล้วจอมมตัตตจับมันสิ้นสุดไปแล้วมันก็หมดทั้งนั้นผลหนึงงานของเราที่ทำมามากน้อยหนักเบาขนาดไหนมันเกินเกินค่าใช่ไหมครับมาถึงตัวนี้แล้ว ดอดีตอนาคตหมดสําคัญมั่นหมายปัจจุบันก็รู้เท่าแล้วชัดเจนแล้วทุกอย่างหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาไม่มีเลยอันนี้ว่อยู่ท่เนก็มีปัญหาตาทท่านก็มีหาผู้ที่รู้อย่างนั้นแล้วแล้วตายตายด้วยเหตุผลกลไกก็ตายเขาไม่มีปัญหาเมื่อถึงขั้นหมดปัญหาแล้วไม่มีปัญหาทั้งนั้นสำหรับพระอรนท่านตายด้วยเหตุนี้เอง ท่านจะเดืนนิพพานก็ได้เดินนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้นอนนิพพานก็ได้ตามมารยาศัยองคความถนัดใจของท่านแต่ละองค์ที่ท่านจะทาดังที่าารท่า น, าานท่านเค ย, สยแสดงที่เราเขียนไว้อย่นี้ต่อท่านนั้นต้องเห็นลายเพราะทุกเวทนาันเป็นเรื่องสมมุติภายนอกไม่สามารถที่เขาไปเหยียบย่ำธรรมาจิตกจ า, กา น, นได้ความดูท่านหายได้แล้วถ้ท่านจะมาท่านจะทำนิพพานตามมารยาศัยท่านไม่ได้ท่านอเนองนะสมมุติแล้วเวทนาก็เป็นสมมตินทุกเวทนา ก็มีแต่ยงอยู่ ร, ร่างกายท่านั้นไม่สามารถที่จะไปทับถมจิตใจท่านให้หวั่น ไ, ได้เลยท่านทำไมจะทำไม่ได้ตามวิทยาใส้ผิผ่านท่าอะไรก็เอาที่เป็นวาระสุดท้ายอเอาเท่ า, น, านั้นตอนี้ท่านปัญญาด้วยบ่าย